บรรดากับทั้งสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระเจ้าจัารจาจากรพัทย่อมไม่อุบัติในสุญญกับเพราะฉะนั้นกับนั้นจึงเรียกว่าสุญญกับกับที่ว่างเปล่าจากผู้มีคุณอันนี้โดยหลักการทั่วๆไปนะแต่ว่ากับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าไม่มีพระปเจกมีนะเช่นในอุบาลีอัปทานเนี่ยกล่าวไว้ว่าเมื่อสามสิบกว่ากับก่อนเนี่ยนะพระอุบาลีเนี่ยไปดูหมิน่นพระปเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งกับนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอนุชนยกับแปลว่ากับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าส่วนอสุญญกับมีอยู่หาคือสารกับมันกับวรกับสาระมักับแล้วก็พัทธกับอสุญญกับกับที่ไม่ว่างจากพระพุทธเจ้าคือกับที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นกับที่ประกอบด้วยสาระคือคุณเรียกว่าสารกับกับที่มีสาระทำไมจึงมีสาระ เพราะว่าเป็นกับที่ปรากฏพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเกิดแต่พระองค์เดียวถึงมีแต่พระองค์เดียวก็เป็นผู้ที่กำเนิดคุณสารยังคุณสารให้เกิดยังยังคุณคือศีลเป็นต้นให้เกิดขึ้นได้กับนั้นก็เลยเรียกว่าสารกับกับที่มีสาระและแก่นสารก็เหมือนอย่างว่าวันไหนที่เราให้ทานสมาทานศีลเจริญกุศลธรรมวันนั้นเป็นวันที่มีสาร วันใดที่ไม่ได้มีคุณธรรมเหล่านั้นเลยอกุศลครอบงําทั้งวันเต็มด้วยความหลับไหลมัวเมาและเพลิดเพลิพลนวันนั้นไร้สาระเพราะฉะนั้นฉันใดกับถ้ามองในระยะสั้นๆก็เหมือนว่าวันไหนมีศีลเป็นต้นวันนั้นมีสาระฉันใดในกับใดที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นวันที่มีสาระเพราะฉั้กับที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงเป็นกับที่มีสาระสําหรับสบรรพสัตว์ทั้งหลาย กับที่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะอย่างเช่นเมื่ออสงไขยที่สองอ น, นะอสงไขยที่หนึ่งพระพุทุมุตระเกิดพระทีปังกรใช่ไหมเป็นต้นอสงไขยที่สองมีพระโกนทัญะญพระองค์เดียวอ่นนะอสงไขยที่สองนั่นแหละเรียกว่าสารกับไอตรงช่วงที่กับที่พระโกนทัญยะพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือบางกับเนี่ยนะเช่นบางกับเมื่อเก้กับถอยหลังจากนี้ไป พระวิปัสสีพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นหรือเมื่อเก้าสิบสี่กัปถอยหลังจากนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวคือพระสิท ธ, ธ, ธะเกิดขึ้นส่วนในกลับใดเกิดพระพุทธเจ้าสององค์ขึ้นกับนั้นเรียกว่ามันดกัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์อย่างเช่นเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วถอยหลังจากวันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าสุเมศและสุชาติเกิดขึ้น หรือว่าเมื่อเก้าบสกัปก็มีพระติดสะกับพระปุตตะเกิดขึ้นหรือเมื่อประมาณสามสิบองกัปก่อนก็มีพระสิขีกับพระเวสภูเกิดขึ้นนั้นกลับใดที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์กับนั้นเรียกว่ามนดะกับมันดะนี่ถ้าแปลไม่ผิดก็หมายถึงว่ากับที่ตกแต่งเนะมันดมนดะกัปเนี่ยกับที่ประดับตกแต่งเป็นอย่างดีเลยมีทั้งสององค์ส่วนในกลับใด เกิดพระพุทธเจ้าสามองค์เยนะมีตั้งสามองค์นะกว่าสององค์นะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งสามองค์นั้นพระองค์ที่หนึ่งพยากรพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองพระพุทธเจ้าองค์ที่สองพยากรพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สอมะนะก็มีการพยากรต่อๆกันไปในกลับนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจเบิกบานย่อมเลือกโดยปณิานตามที่ตนปรารถนากับนั้นเชื่อว่าวาระกับ กับประเสริฐปรารถนาอย่างใดก็สมปรารถนานะปรารถนาโอ้ยองนี้พลาดจากองค์นี้ขอพบองค์หน้านะก็เรียกว่าสมปรารถนาจริงๆของเรามีทั้งห้าองด้วยว่าเนี่ยผ่านมาสีแล้วเนี่ยนะองข้างหน้าจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะสมพรหรือเปล่าวารณะนี่แปลว่าเหมือนกับพร น, นะนะก็เรียกว่ากลับที่สมพรเหมือนกันแปบลบว่าสมความปรารถนากลับที่มีพระพุทธเจ้าสามองเนี่ยนะเช่นว่ากลับที่พระพุทธเจ้าเช่น พระพุทธเจ้าปิยทัศนีอัฏฐทัศสีธรรมทัศนีเนี่ยนะกับนั้นก็มีเกิดขึ้นในโลกสามองค์ส่วนกับใดที่เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นตั้งสองค์กับนั้นเรียกว่าสารมันกับเป็นกับประเสริฐกวา่าเป็นกับที่มีสาระมากกว่ากับก่อนๆ อ, อย่างเช่นอสงไขยที่สามเนี่ยนะที่พระมังคละพุทธเจ้าเกิดขึ้นนั้นอสงไขยนั้นเนี่ยในกับนั้นชื่อว่าสารมันกับเพราะมีพระพุทธเจ้า ชื่อว่ามังคลาสุมาณเรวตะและพระพุทธเจ้าโสพิตะเกิดขึ้นในโลกมันกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ในแหม่มีสาระมากส่วนกลับใดที่เกิดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เรียกว่าพัทธกับพัทธกับนี้หาได้ยากอย่างยิ่งหาเธอเนี่ยนะสี่อสงไขยแสนกลับเพิ่งมีกลับนี้แหละเป็นพัทธกับเนี่ยนะกลับเจริญกลับเนี่ยเจริญจริงๆ หลายคนก็ได้บุญมอกไม่น้อยก็ได้บาปไปไม่ใช่น้อยเนยนะแต่อันนี้เขาไม่เอาคนบาปเป็นประมาณเลยแหละคนบาปเมื่อไหร่มันก็ทําบาปละเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าไม่สนใจพระนางมาคันธียาเนี่ยนะเขบอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าพูดกระทบอย่างนั้นนางจะตกนรกไม่ใช่หรือบอกพระองค์ไม่พูดนางก็ตกเนี่ยนะแต่พระองค์พูดอย่างนั้นแล้วมีพ่อแม่บรรลุก็ยังดีกว่าตกฟรีอ่างนั้นนะก็มีผู้พอบรรลุได้บ้างอย่างนั้นมันก็ถือเอาผู้ที่พอบรรลุได้เป็นประมาณส่วนผู้ที่จะบายหน้าไปอเวจีอยู่แล้วจะไปว่าอะไรเขา นะนะพันก็ถือเอาไว้ผู้ที่พอจะมีสาระได้เป็นประมาณเนี่ยนะพันกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหองค์เนี่ยหายากอย่างยิ่งกลับนั้นโดยมากสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มากไปด้วยกัลยาณสุขได้รับแต่ความสุขที่ดีงามเนี่ยนะได้รับความสุขที่ดีเตเหตุกะสัต์สัตว์ที่ปฏิสนธิด้วยเหตุสามคืออโลพระอโทส ะ, โ, ทะโมหเหตุย่อมทํากิเลสให้สิ้น ก็เลยสามารถที่จะบรรลุอรหันต์ได้สามารถที่บรรลุมรรคผลได้ขอให้ปฏิสนธิด้วยติเหตเถ อ, เอนะขอให้มีปัญญาเถอะส่วนผู้ที่ปฏิสนธิด้วยทูเหตุตุกะปราศจากปัญญาก็ถึงสุขติโลกสวรรค์ได้ส่วนอเหิตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะเกิดมาโง่จริงๆก็ฟังธรรมก็พอจะมีปัญญาได้บ้างานะอเหิตุกะตอนหลังก็ได้เหตุขึ้นตอนตอนแรกไม่มีเหตุอะไรก็เข้าเลย ตอนหลังก็ได้เหตุมากขึ้นก็มีโยมอยู่คนหนึ่งลูกเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเกิดครบไม่ครบสิบเดือนอ่ะไม่ครบสิบเดือนเนี่ยนะเจ็เดือนก็คลอดเป็นเร็วไปหน่อยเจ็ดเดือนก็คลอดแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดเนะ่ยนะว่าไปว่ามาตอนนี้สวดมนต์นนได้แล้วอ่ะนะสวดมนต์ได้แล้วโอ้บอกว่านี่สวดธรรมจักให้ได้นะถ้าแม่ไม่สบายแม่อายุมากๆแล้วลูกจะไปสวดธรรมจักให้ฟังเลนะตอนนี้อ่อแม่ไปว่าเจดีนี่แค่เขาไปอ่านนะ ไปอ่านสวดมนต์ด้วยอะไรด้วยนะแม่บอกกูเกินคาดเกินฝันเขาว่างี้นไม่น่าเชื่อลูกชายสวดมนต์ได้แล้วตอนนี้เหมือนกันสวดดังด้วยเนี่ยนะปกติแล้วก็อ่านหนังสือไม่ค่อยออกนะเนื่องว่าคนที่ไม่ครบทศไม่ครบทศสมะฮะยากเขานันแต่ก็ว่าเกิดในกลับที่มีคําสอนเนี่ยนะก็พอได้ดิบได้ดีกับเขามั่งจะเกิดในระดับไหนเขาช่างแต่ขอให้ไม่ได้รับสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเนี่ยนะ ก็พอที่จะมีเหตุมีบุญมีวาสนาได้บัณฑ์กัปใดที่เป็นกัปที่เป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลมากขนาดนี้กัปนั้นเรียกว่าพัทธกัปด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าอสุญญกัปมีอยู่ห้าอย่างอสุญญากัปห้าอย่างคืออะไรกัปที่มีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์กัปที่มีพระพุทธเจ้าสององค์กัปที่มีพระพุทธเจ้าสองค์กัปที่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์และกัปที่มีพระพุทธเจ้าหองค์เนี่ยนะ เป็นกัปที่ไม่ว่างเปล่าจากพระรัตน t r a ดังที่โบราณอาจารย์กล่าวเป็นคาถาว่าเอโกพุโทโธสารกับเปมันดกับเปชินาดูเววระกับเปตโยพุท ธ, ธาสารมันเดจตุโรพุทธาปัญจพุท ธ, ธาพัทธกับเปตโตนัาธิกาชินาในสารกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหนึ่งองค์ในมันดกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์ ในวรกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์ในสารมันกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่พระองค์ในพัทธกับมีพระพุทธเจ้าเกิด hmm, ขึ mmm. ้นหพระองค์พระกับท <'ll> ี่มีพระพุทธเจ้ามากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีมีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นกล่าวว่าพระประทุมุตระทศพลอุบัติเกิดขึ้นแม้ในสารกับท่านก็เรียกว่ามันกับจริงๆแล้วพระองค์เกิดในสารกับนะสารกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น พระองค์เดียวแต่ที่เรียกว่ามันดกับเพราะเป็นเช่นเดียวกับมันดกับด้วยคุณนะสมบัติว่างนั้นนะคือจริ ง, รงๆแล้วพระองค์เกิดขึ้นองค์เดียวแต่พูดเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ทําไมอ่ะเพราะได้รับสมบัติใใคล้ายๆกับมีพระพุทธเจ้าเกิดสององค์ก็เลยใช้คําว่ามันดกับก็พระผู้มีพระภาคเจ้าประทุมุตระผู้เป็นยอดของบุรุษทรงยับยัง้งอยู่ณนะโพธิบัลลังก์เจ็ดวัน พอวันที่7ก็ย่างพระบาทขึ้นข้างขวาด้วยไม้พระหฤทัยว่าจะวางลงที่แผ่นดินนะนะพอตรัสโรใช่ตรัสโ ร, ร, ร, รแล้วก็ประทับนั่งสเสวยวิมุติสุขเนี่ย น, นะสเสวยวิมุติสุขอยู่เจวันวันที่7ดในเหยียบพระบาทเพื่อจะเหยียบพื้นลำดับนั้นดอกบัวบกทั้งหลายมีเกสรและช่อละเอียดไร้มนทินมีใบเหมือนเกิดในน้ำไม่หม่นมองไม่บกพร่องแต่บริบูรณ์ชําแรกแผ่นดินผุดขึ้นมา บัวบกเหล่านั้นมีใบชิดกันประมาณ90ศสอกเกสร30ศสบอกช่อ12ศสอกเรนูของดอกแต่ละดอกขนาดหม้อใหม่ส่วนพระศาสดาสูงห8สดอกระหว่างพระพาหาทั้งสองข้างของพระองค์นั้น18ศอกพราชหศอกพระหัตถและพระบาท11บอดอกบอกว่าโอ้ใหญ่อย่างนี้จะดูงามหรือถ้าใครเคยเห็นพระพุทธรูปที่ปั้นสมส่วนเนี่ยนะถึงจะองค์ใหญ่ก็งาม นะพุทธรูปที่เถวภาคต่างๆนะครับใครไปเห็นตระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ถ้าทำได้ขนาดสมส่วนเนี่ยงามถึงจะองค์ใหญ่ก็งามพอพระองค์เหยียบนะเหยียบช่อ12สอดอกเหยียบช่อเนี่ยนะศอกด้วยพระบาท11อศอกเรนูขนาดหม้อใหม่ก็ฟุ้งขึ้นกลบสรีระห8สดศอกแล้วก็กลับท่วมทับทำให้เป็นเหมือนฝุ่นมโนศิลา ป่นเป็นจุนองไม่มีใครแพร้เกสรนะแต่นี่หมายถึงเกสรที่หอมเกสรที่ไม่มีโทษเหยียบแล้วก็ฟุ้งขึ้นได้รับฟุ้งขึ้นได้รับกลิ่นหอมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระคันธารจนาจารย์ผู้เรียบเรียงสั่งยุติไนกายกล่าวว่าพระาศาสดาที่เหยียบแต่บนดอกบัวเนี่ยนะพระองค์ก็เลยมีพระนามนามว่าพระปทุมมุตระเหตุที่เชื่อว่าปทุมมุตระเพราะว่าเหยียบแต่บนดอกบัว ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทูตมุตระผู้ยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวงทรงรับอาราธนาของข้าวมหาพรหมตรวจดูสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นดังภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาพระองค์ก็เห็นพระราชโอรสสององค์คือเทวละและสุชาตะนะกรุงมิธิลาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเพราะการกระทําทุกพระองค์ทุกอย่างต้องมีผลที่น่า ปรารถนาการสอนธรรมของพระองค์ต้องได้รับผลอย่างแน่นอนพันการที่ผู้มีปัญญาทําอะไรก็จะคํานวณดูก่อนใคร่ควรวญดูเบ็ดเสร็จแล้วจึงค่อยทำํำพันการที่พระองค์จะแสดงธรรมก็เหมือนกัรเนี่ยไม่ใช่พอรู้ธรรมมากก็พูดไปเรื่อยไม่ใช่พันก็แสดงแต่ละครั้งต้องมีผลเนี่ยนอย่างน้อยก็มีสาระมีศีล น, น, นะบบรรลุมรรคผลเป็นต้นนั้นพระองค์ก็เล็งเอากลุ่มที่พอบรรลุมรรคผลได้เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยนะ พอรู้เล็งเห็นถึงผู้ที่มีอุปนิสัยพอจะบรรลุได้ทันใดพระองค์ก็เสด็จไปทางอากาศลงที่พระราชจุทยานกรุงมิถิลาใช้ให้พนักงานเฝ้าพระราชจุทยานให้ไปเรียกราชกุมารทั้งสองพระองค์มาแล้วทั้งสองพระองค์นั้นก็ดำเนินเรียวพระปทุมมุตระกุมารโอรสของพระเจ้าอาบของเราทรงพนวดทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จถึงนครของเราจำเราจะเข้าไปเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยบริวาร พระพุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้ามาโปรดแล้วนี่นะก็รีบไปรับเสด็จกันเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทุมุตระนั่งเวดล้อมครั้งนั้นพระทศพลอันพระราชกุมารและบริวารเหล่านั้นเวดล้อมแล้วทรงรุ่งโรดดุดจันทรเพนอันมูดาวเวดล้อมประกาศพระธรรมจากณนะที่นั้นครั้งนั้นทำมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตว์ประมาณแสนโกด ธรมมาพิสมัยก็คือการตรัสรู้อริยสัจธรรมตรัสรู้ด้วยปริญญาพิสมัยปหานาพิสมัยสัจฉิกสัจิกิริยาพิสมั ย, ย, มยแล้วก็ภาวนาพิสมัยตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกาหนดรอบรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธ ด, ด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคทั้งหลายด้วยการเจริญนะคือพระองค์เนี่ยนะถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งมากนะ พูดให้เขารอบรู้ในสิ่งที่ที่พระองค์อยากให้เขารู้ได้พระองค์แสดงให้เขาระในสิ่งที่พระองค์อยากให้ละได้พระองค์เนีย่ยพูดให้เขาเห็นในสิ่งที่มันเห็นได้ยากได้พระองค์แสดงให้เขาเจริญในสิ่งที่ควรเจริญได้ <ming led> อันนี้คือบุญของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางคนเนี่ยนะ ว, ว่า อย่าว่าพูดให้เขาทําตามเลยให้เขาตั้งใจฟังให้สักสองนาทีเขาก็ยังไม่ตั้งใจฟังให้เลยเนี่ยนะฟังให้หน่อยเธอขอร้องบอกเขาก็ไปฟังให้อย่าว่าให้เขาไปทําตามเลยเนี่ยนะมันก็บุญมันต่างกันอย่างนั้ น, นทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดปั๊บเขารอบรู้ในสิ่งที่พระองค์อยากให้รอบรู้พระองค์แสดงทำจบเขาได้ละในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ละอันนี้อมตานิพพานที่ลึกซึ้งพระองค์ตรัสจบปั๊บเขาเห็นเลยอ่ะอ น, นะคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญเนี่ยนะ พระองค์แสดงจบเขาเจริญได้อย่างที่พระองค์ประสงค์เพราะพระพุทธเจ้าผู้มีบุญนั้นเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะภาษาพระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษาเรีบุตรในประชุมญาติสมาคมว่าครั้งที่หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฐุมมุตระธรรมมาพิสมัยได้มีแก่ศักดิ์แสนโกรสมัยต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมหาชนให้ร้อนขอไป พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมหาชนผู้เร่าร้อนเนี่ยนะด้วยความเร่าร้อนในนรกพระองค์ก็แสดงธรรมในสมาคมของสาระธาดาบทอย่างมูสัตว์นับได้สามล้านเจ็ดแสนให้ดื่มอมตะธรรมแม้มหาชนที่กําลังเร่าร้อนอยู่ในกําลังเร่าร้อนด้วยความร้อนในนรกไม้ถึงว่าผู้ที่กําลังจะไปนรกอยู่นั่นแหละพระองค์สอนให้เขาพ้นจากการไปตกนรกอ่ะกําลังจะตกนรกอยู่แล้วเช่ คงไปโปรดให้เขาได้บรรลุมรคผลเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อพระองค์หลังฝนแห่งธรรมหลังฝนคือธรรมเทศนาประกาศอริอรยสัจธรรมให้สัตว์ทั้งหลายเอิ้ออิ่มอภิสมัยครั้งที่สองประมาณสมล้านเจแสนครั้งนั้นพระเจ้าอนันทะมหาราชปรากฏพระองค์ในกรุงมุทิลาไปในสำนักของพระปทุมุตระสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยบุรุษสองหมืและอมตยสบคน พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระทรงให้ชนเหล่านั้นบวช ด, ด้วยเบเอหิพิกุบันประชาทุกคนอันชนเหล่านั้นแวดล้อมแล้วสเสด็จไปทําการสงเคราะห์พระชนก ค, คือพระพุทธบิดาเนี่ยนะประทับณกรุงหังสาวดีราชธานีสแสดงว่าทรงอํามาตย์ไปกี่ครั้งเนี่ยถ้าส่งอมาตย์ทีลพันทีลพันก็สรงไป20ครั้งนะพระพุทธเจ้าจึงสเสด็จมานันะ ทีนั้นพระองค์ก็เสด็จจงกลมณนะรัตน์จงกลมณนะท้องนัากาคตัดพุทธวงศ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราตรัสพุทธวงศ์ในกรงกบิลพั์ครั้งนั้นทำมาพิสมัยครั้งที่3ได้มีแก่สัตว์ห้าล้านด้วยเหตุนั้นพระมหานะพระองค์จึงตรัสว่าพระมหาวีระพระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าเข้าไปโปรดพระเจ้าอานณาธะเสด็จเข้าไปใกล้พระชนกทรงลั่นกลองอมตะเทรี เมือ่อทรงลั่นอมะตะเพรีแล้วทรงหลังฝนคือทําอภิสมัยครั้งที่สมก็ได้มีแกสัตว์ห้าล้านพระพุทธเจ้าอานันทะพระองค์นี้เนี่ยนะผู้เป็นพระพุทธบิดาเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าไปโปรดที่เมืองเมืองของพระองค์เนี่ยนะกรุงหังสาวดีเนี่ยพระองค์หวงแหนมากไม่ยอมให้ประชาชนได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาที่ที่เลื่อมใสยอยากจะทําบุญกับพระพุทธเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ อนนันเพราะอะไรเพราะอัคารสาวกก็ลูกเราพระพุทธเจ้าก็ลูกเราพวกอัฐิหารที่มาบวชนี่ก็ลูกพวกพระภิกษุอัหิฐานก็อัฐารของเราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ต้องทําบุญหรอกพระองค์ก็เลยสร้างก็สร้างวัดเองสร้างวัดเองแล้วสร้างกําแพงใหญ่มากไม่ต้องใครไม่มีโอกาสได้เข้าไปหรอกทีนี้จากพระองค์ก็นิมนต์พระราชาก็นิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านทุกวันทุกวันทุกวันเสร็จแล้วแล้วระหว่างทางล่ะพระองค์ก็สร้างซุ้มขึ้นมาเลยสร้างเป็นซุ้มเหมือนกระถ่อมรอดอย่างนั้นแหะ ให้พระพุทธเจ้าสเสด็จมาเนี่ยนะแล้วก็ชันอยู่อย่างนี้เป็นปีๆนะหลายปีผ่านไปบ้านเมืองเดือดร้อนนะคะนี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกฉนันพระพุทธพระราชาของเราจึงจึงทำแบบนี้เนี่ยนะ